ที่หลมันจะตื่นออกตื่นเอาตืนโลกตืนกต่นสงสารเป็นโมมากลากไปล่ะคือท่าก็ไม่มองทําเลยคนนี้อ่ะริตกมากนะคนนี้ไม่ได้คุ้นกับอะไรนี่มองอะไรมองด้วยเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยได้คุ้นกับอะไรเลยมันทําเป็นธรรมชาติมันอย่างนั้นไงทำไมมันจะไม่รู้เมื่อจิตของมันมันเป็นอย่างนั้อย่างนั้นโดยหลักธรรมชาติปิดไม่อยู่มันก็ต้องมันต้องรู้เี่ย แบบรับหูรับตาก็ไปดีอย่างนึงอย่างนีไม่ในหลักในหัวใจมันหลักอะ ไ, ไรเป็นมันในหลักธรรมชาติปฏิวัตินี้หมู่เงื่อนความพูดตรง น, นี้อย่าลืมนะผมตายเรายังจะกราบศพผมอยู่นึกงกราบชื่อผมอยู่นึถ้าปฏิบัติไปอย่างที่ว่านี่อย่างที่สอนนี่นะมันจะไปไหายถ้ า, ถาปเป็นลงรอยเดียวกันแม้งั้นสาวกพุทธบรุรศาัทไหนเชื่อพระเจ้าอย่างถึงใจได้ยังไง ถ้าไม่ลงความจริงอย่างเดียวกันเมื่อลงความยิงเดียวกันหาที่ค้างกันได้อย่างไรน่ะเมื่อค้างไม่ได้เห็นแต่ธรรมชาติที่อา จ, จารย์ที่ได้ยาจากพูทธิย่อทั้ทงนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นมันก็กราบราบทัางนั้นสิแล้ว น, น, นี้มันไม่เห็นนั่นสิมันไม่เข้าถึงใจมันถึงต้นถึงเดาถึงคาดนู่นคาดนี้เดียเด๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็ล้มเสียมันตั้งไม่ได้ เล่นดูหลับทมหลังหนยิ่งกว่าจะดูอะไรวิการชมจองโลกกระอัเขามายุ่งให้ดูโลกกระทํภาณานตัวเองนี้แก้โลกกระทภาณานี้เสร็จเรียบไปหมดแล้วไม่มีปัญหาอะไรอยู่ในท่ามกลางโลกระทํมั น, นก็ น่ากระบกระทวนกั น, ก น, ก น, ก น, กนถ้าจิตของเราไม่เป็นซะเองนเห น, น, นุ่มจุกพิการขหมกกับถพื่อนครูอาจารย์ที่คอยที่ให้อาจให้ทำควานะมนับวันไล่หล่ อ, อไปไล่หล่ อ, อไปผู้เป็นหลักเป็นเกียนที่เชื่อถือได้จริงๆฝากเป็นฝากตาได้ในทำมัปฏิบัติตลอดมรรคนิพผานไล่หล่อไปเดินดับลําดานนี่ที่เปที่น่ารู้จกผู้ตั้งใจ พอพูดปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นจริงๆจะหาหลักยึดไม่ได้ความเป็นแนวทางเดินให้ได้ความกระดวกมันไม่ได้นี่ความตั้งใจมีอยู่แต่ผู้พําเนิ์มันไม่มีผู้ค้นเนี้ยเหตุเนี้ยผลเนี้ยอัรถธ ร, รในทางถูกต้องดีงามเหมาะสมไม่มีอนี่มันก็ทําให้ล่าช้าดีไม่ดีเผลอไปได้เนี่ยความตั้งใจดีด้วยการพูดปฏิบัติดีด้วย แล้วความรู้ความเห็นในทางด้านสมาธิปรีติ ท, าญญาทา่านบัญญาทางด้านปัญญาปรีติก็เป็นไปด้วยไปเลยด้วยมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนด้วยง่ายมันก็เหมาะมันรวดเร็วเพราการปฏิบัติทางใจไม่เหมือนอย่างอื่นมันเป็นเหมือนแบบผิวแย่เข้ากันได้กับผู้ปฏิบัติที่รู้เห็นไปแล้วเท่านั้นสั่งสอนมันถึงจะลงได้ใจ มาสอนถุงสี่ถห้ากันสอนไม่ได้นะเอ้ายังยกตนเป็นอาจารย์ความรู้ในทงางท่าปฏิบัติไม่มีพนจจรนธใจเลยแต่บรรดาลูกศิษย์ที่มารับการอรมศึกษามีความรู้มีภูมิอัดภูมิคำสมาธิเป็นกันขั้นปัญญาเป็นภูมิภูมิแล้วจะมาลงใจได้ยังไงจะยึดเอาหลักจากครูอาจารย์ออกมาลูกพันธีภาษาธสารได้ยังไงนะครูอาจารย์ก็เป็นผู้รู้ผู้จง ระยะซึ่งทำเหล่านี้แล้วมันก็ช่องใจที่จิตใจไม่ต้องบอกแล้วเรื่องฝากเป็นฝาดตามันเป็นของมันเองยิ่งจิตทั้งลำได้ทรงมักตรงผลเข้าไปเท่าไหร่แล้วเรื่องครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าไม่ต้องบอกจะใกล้ชิดสนิทเข้ามาสนิทเข้ามารวมอยู่ที่ใจเลยน่ะนี่เราพระกรรมฐานที่มาบฝากเป็นฝากตาครูบาอาจารย์ขลบุบบาอาจารย์ครุบจริจรงคลุบอย่างนี้เองครูาบาอาจารย์องค์ไหนที่เป็น หลักเป็นเกณฑ์เป็นอัดเป็นทำรรเกณฑนภูมิของท่านแ้วไปอยู่ที่ไหนไม่ต้องนิมนต์หลักกรรมาฐานไปเองลูกศิษย์ลูกห า, หาหลังไหลไปไปอยู่ผ้าคไหนก็ไปเถอะไปได้ไม่อยู่อะก็หวังพึ่งพึ่งทางใจนั่นพึ่งการรับการอบรมศักษาจากท่านด้วยความจัดความจริงความถูกต้องแม่นยานัน่ใครจะไปเหลียวๆหลายๆจะเ ป, ป็นลูกๆคำๆนั่น ใครจะอยากเป็นอย่างนั้นท่านพูดออกมาคำไหนถูกทุกคำทุกคำทุกคำเพราท่านรู้แล้วเห็นยอดทุกอย่างนื่ที่ภาษาของใจความรู้ของใจมันต่างกันอยู่มากนะเพาะฉะันจังหวใจในพิสดารมากรู้เกินสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในาวายาวะของเรานี่จนหาประมาณไม่ได้นังที่พูดตึกินนี้ตาหูจมูกดิ้นกายนี่ รู้ตามพิสัยของตนนี่แค่นั้นแหละไม่เลยนั้นแต่ใจในี้พิสดารมากเพราะท่านใจจึงควรจะทําทั้งหลายทําละเอียดขนาดไหนใจถึงหมดนั่นเมื่อถึงขั้นถึงแล้วถึงหมดเลยหลังที่ว่าทํามมีอยู่ทํามมีอยู่อะไรไปจับธรรมมีอยู่นั่นน่ะหลังที่ท่านว่าธรรมมีอยู่เป็นอนันตการทรามมีอยู่ตลอดเวลา <S <S 2> <S 2> จะเอาอะไรไปจับธรรมที่มีอยู่ให้เห็นเป็นความจริงขึ้นมาว่าธรรมนี่มีอยู่จริงอย่างนี้ ด้วยความสมผัสของเราเนี่ยเอาตาไปดูมัมนก็เห็นแต่รูปแต่ ส, แตสีแต่แสงไปเสียเนี่ยเอาหูไปฟังก็ได้ยินแต่ลมของธรรมกระแสของธรรมที่แสดมาซึ่งไม่ใช่ตัวธรรมจรงิงนั่นเสียนะฮะยิ่งเอาจมูกไปดมแล้วไม่ได้เรื่องอนะอากายไปสัรรมผัสําคัญทําได้ยังไงเอาสมาธรรมิทำนี่สมาธิท่านบอกไว้ทําดํามระดับต่บตางๆนั่นเป็นชื่อของสมาธิวิธีการของสมาธิ ถ้าจิตไม่สัมผัสก็ไม่รู้ว่าสมาธิเป็นยังไงเพราจิตเริ่มเป็นสมาธิท้องเข้าใจนานเริ่มเป็นสมาธิขั้นไหนเข้าใจระเอียดขนาดไหนเข้าใจเข้าใจนานใจนัจน้เป็นผู้สัสมผัสสมาธิทำหรือสมาธรรมวิปัสนาทำอ้าววิปัสนาตั้งแต่เริ่มแรกแต่รู้หน้าวิปัสนาคือวิปัสนาอ่อนๆขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งมหาสติมหาปัญญาใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ ทางอังนี้ไปก็หลุดพ้นก็ใจเท่านั้นเป็นผู้หลุดพ้นใจเท่านั้นผู้สัมผัสใจเท่านั้นเป็นเป็นภาชนะรับทำทั้งหลายละเอียดขนาดไหนถ้าลงถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเต็มภูมิแล้วเลยสมมุติไปแล้วพูดรายละเอียดไม่ได้ก็ใจเท่านั้นเป็นผู้จะรู้เอาอะไรมารู้นี่ที่จริงต้องปฏิบตัติถ้ามีทางเดียวเท่านั้นที่จะให้รู้ธรรมของพระเจ้าติตามที่ว่าธรรมมีอยู่ถ้าไม่ปฏิบัติ เรียนมาจบก็กลาไปดกแบกคัมภีร์ก็หลังหักที่นี่เฉยๆแหละเราไม่ได้ประมาทเราก็เรียนเหมือนกันเรียนเป็นมหาบัณฑิตมานี่แต่มันก็แบกตั้งแต่ความทํามขันมั่นหมายจ้าของใช่มันไม่ได้แบกอัดแบกทำมันแบกแต่กิเลสเนี่ยเข้าใจว่าตัวเรียนรู้อย่างนั้นเรียนอย่างนี้อันนั้นทันนี้กิเลสไม่ได้ถลอกเปราะเปิดแม่นิดหนึ่งเลยมีแต่พอกมันขึ้นเรื่อยๆพอกภูมิมันขึ้นด้วยความทุ่มขัญมั่นหมายจะก้าวออกไม่ได้หนักความรู้มันหนักความรู้ตายแล้วมันหนัก กิเลสที่ผิดมานะความต้องการมั่นหมายต่างหากเั็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลถ้าอย่างลูกปฏิบัติเข้าไปสิพอปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปสิ่งนี้จะค่อยกระจายกกระจายออกพังลงไปพานลงไปพานลงไปสุดท้ายสลัดปุดเลยไม่มีเหลือโอ้แหน αι. ทง่งไปความจริงมันล้วนความจําผ่านไปหมดแล้วลอยหมดทีนี้ส่งความจริงสมาธิก็จริงในใจปัญญาทุกขั้นจริงในใจวิมุตติหลุดพ้นจริงที่ใจรจริงหมดที่ใจอ๋อที่ว่าทาํามู้เจ้ามีอยู่ตลอดเวลา ผู้นี้เองเหลือเป็นผู้รับทราบกันเป็นผู้ส่งนั่นพอะพุทธจ้าเป็นสัตตดาอมูฆ่าเทือเหลือเหมือนตุกตาเทือเหรือพระพุทธเจ้าทั้งองค์ศาสนาพุทธเจ้าศาสนาธรรมพระพุทเจ้านี้เป็นตุกตาเทือเหลือทำไมไม่ให้เข้ามากระเทือนหัวใจเราบ้างเราจะได้เห็นคุณค่าของสาสนาธรรมพระพุทเจ้านี่เรียนกันไปข้างกันไปบนกันไปถือกันไป แบบกโล ก, โลกแบบกิเลสพาถือไม่ใช่แบบธรรมพาถือมันก็แบบออกับต่กกิเลสสิถือแบบธรรมนี่แบบศาสนาธรรมสอนนี่ยถือเพื่อแก้ถอดถอนสิ่งที่เป็นค่าตศึกษาตนเองรู้มันเห็นก็ดีนิน่ะจะไปตื่นอะไรยี่มื่ความจริงมันเห็นมันหมดแล้วสามแดนโลกธาตุมาหลอกก็ไม่ตื่น ลงเข้าถึงความจินเต็มตัดเต็มผลแล้วเอาอะไรมาตื่นเนี่ยังให้หมูหม่เพื่อนรู้เห็นนีน่นาแทจะมากเกี่ยวกับหมู่เพื่อนมานี่เป็นสามสิบปีกว่าแล้วแหละเห็นสามสิบปีกว่าแล้วนะพ่อแม่ครูจันทร์มรรภาพอะไรก็ได้สามสิบกว่าปีแล้วนี่ก็ต้องเริ่มแบบความรับ้นมาตั้งแต่โนู้นแหละผม พอพ่อแม่ครูอาจารย์มาณภาพปุ๊บทั้งนั้นหมู่เพื่ก็เกาะเพิบเลยเต็มไปหมดแต่ก่อนเราไม่เคยสนใจกับใครแล้วพอมีพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นล่มโพรงใสและช่วยเราด้วยยังจะไปเที่ยวที่ไหนพอขึ้นไปหาท่านนี่ฮะไปที่ไหนเนี่ยที่ก็คลองผ้าขึ้นไปถ้าไปหาอุบัติถ้าไปปรึกษาปรลบนั่นก็ไม่ได้ครองผ้าหรอกเป็นธรรมดาคือก่อนจะไปที่ไหนคุยกันไปเรื่องนั้นนั้นนี้แล้วก็ ทุกเช้าไปลบกันซะก่อนเ ร, เราไม่เค ย, ลยไล่ตั้งแต่ท่านไปเลยทีเดียวท่า น, ท, านท่านให้โอกาสแล้วนั่นลับที่นี่เวลาจะไล่จะพึ่งคล้องปงั้จะไปไหนที่นี่ท่านกล่าไปกี่องค์ไปกับใครไปองค์เดียวเออน่าละดีท่านช่วยทันทีนนะใครจะไปยุ่งข้ามหานะข้มาไปองค์เดียวสนุกดีท่านพูด อ, อย่างนั้นใครจะไปกล้าล่ะแล้วก็ท่านเป็นอร่มโพลมไทยอยู่นั้นแล้ว แล้วก็ไปสะดวกสบายไม่ได้คิดว่าใครจะจดจ้องมองดูเราสังเกตเราจับเราในแง่ใดต่อแง่ใดเราก็ไปตามปภาษาของเราพอท่านล่วงภาพเท่านั terrible, himself, ้นแหละลมเลยท่นกระน้นมาจนปัจบันนี Mal ้คิดดูสิขโมยนี้ไปไหนมันก็ะลุ่มๆผมไม่รู้กี่ข้งกี่หน่ะที่ผมขโมยนี้จากหมู่จาเพื่อนเพอาตยาสางผมเป็นอย่างนั้นเนี่ยอยู่สบายสบาย วันทั้งวันไม่ได้พบใครก็ตามพบแต่เจ้าของเท่านั้นมันพอใจแล้วไม่สนใจกับอะไรเลยถ้าพูดถึงว่ามันปล่อยมันปล่อยขนาดนั้นเลยเพราะเรียนมันพอปฏิบัติมันพอรู้สึกว่ามันเต็มหัวใจแล้วสงสัยอะไรในโลกนี้ว่างมันเลยขอขโมยเพื่อนก่ลุมไปขโมยหนีขโมยถ้าเป็นตรงนรกแล้วผมเนี่ยจมลงล น, มลนู่นแหละใต้ก้นเทวทัตขโมยหนีจับหมูจากเพื่อนตั้งแต่เริ่มแรกนั่น อยู่มัไม่สบายหนึ่งมีหนึ่งมีสองก็มีความรับผิดชอบกันอยู่นะ น, นั้นแ่ะตามสันทาตปิยานนี้มากก็บัตรเลกก็ต้องมีความรับผิดชอบมากหนักมากเข้าไปขโมยนีถึงก็ไม่พ้นาอายุเลยไม่กี่วันแหละสองอาทิตย์สามอาทิตย์ี๋ยวลุมไปแล้วเนี่ยสุดท้ายก็เลยเกาะกันเต็ม เ, เรื่อยมาอย่างนี้แหละยิง่ยงกล้าเข้าสู่ปัญญา ต่านลุมบอลด้วยแล้วโอ้โหเข้าเข้าแม่ติน้งแม้แต่หมู่แว่นวิ่งตามไปด้ว ย, ยนี่ไล่กลับยังไงก็ไม่ยอมกลับนี่ต้องไล่ไปอยู่โน่นนั่นมาอยู่ให้เห็นตัวกันเลยเหมือนก็ไปอยู่องค์เดียวยิงบอกเวลาผมอยู่ที่นี่อย่ามานะนี่บอกขนาดนั้นนะ่ะบอกว่าอย่ามาเป็นอังขาดนะถ้าผมอยู่ในร้านนี้อย่าเข้ามานะมากันเลยถ้าจะมาทำเพราว่าปฏิบัติอะไรนี่ตอนผมไม่อยู่ค่อยมา มันนั่นแหะไม่เห็นกันขนาดนั้นแหะเอาขนาดนั้นนะไอวินทบารก็ถ้ามีสองบ้านก็ไปสองคนละบ้านนะถ้ามันจําเป็นก็มีบ้านเดยวกไปด้วยกันก็จะพบกันแตระยะแต่นั้นมากก็เงียบเลยเพราะจิตของเรามันหมุนอยู่เตี้ยวเตี้ยวเตี้ยมันทํางานตลอดเวลามันจะไปเสียเวลากับไข่นอกจากเอาเวลามุมหรืกี่เหลืออย่างเดียวเท่านั้นมันเป็นของมันเอง โหนมันเต็มแม่เต็มหนื่อยกับาพนิุพันมันก็อยู่ในเอื้อมมืออยู่กับชั่วเอื้อมนี่เหมือนอย่างนั้นหมุนมันแล้วเนนอนไม่สามามันรับไม่ไรไม่หลับเมื่อไรมันขนาดนั้นนะเามันเป็นกางวันกลางคืนมันจะตายแล้วกับบังคับกันสักทีนึ่งทำมันไปมด ลิดหมดเด็ดหมดกําลังมันช้างมันแล้วไม่ได้บอสมันอยู่เองฮะเป็นอย่างนี้เลยที่นี่ะเนี่ยหมุนเหมือนกองจักรแต่ก่อนเป็นยังไงนี่หายหน้า<笑><笑>ถ้าเราจะมาคิดอย่างนี้นะเหมือนกับว่าฮะอย่างนี้เลยที่นี่เป็นอย่างนี้เลยเอจะฆ่ากับอะไรสู้กับอะไรอรู้อย่างนั้นใช่าไหมซันติโก ไปมมภูมิมันจะไปไหนอีกดิ้นไปไหนสู้กับอะไรมันมีเวลาสิ้นสุดได้นะงานของทางศาสนานี่นว่าทำ ม, มีเมืองพอทำรร ม, มีความพอไม่ว่าสมาธิทำรรปัญญาธรรมวิริยะรรมมีความพอประจําตนทางนั้นเมื่อพอแล้วหยุด สามาธิที่ทําเมื่อเต็มภูมิแล้วเท่านั้นก้าวไม่ออกไปัญญอีกไม่ได้เรื่อจาก้าวทางปัญญาเนี่ยมันก็รู้จะเอาขนานไหนมันก็อยู่แค่นั้นไม่เลยนั่นรู้แล้วมันพอปัญญาก็เวลาเลิกออกออกออกออกจะต้องทำงานหมุนติ้วติ้วแล้วเหมือนกับวันจะไม่มีเวลายับยั้งพักตัวเลยนะถึงระยะที่มันพักพักก็จะจนหายเงียบไปเลย พอตัวของมันแล้วเนี่ยปัญญาพอกิเลสก็ตายหมดสู้ก็บาลายปัญญาที่หมุนตี๊ดๆเป็นธรรมจักรมันจะสู้ก็บาลายแน่เครื่องมือเครื่องต่อสู้มันก็กดรปล่อยกันลงไปเองโดยหลักธรรมชาตินั่นถึงว่าพอพอสมาธิก็พอสมาธิทำก็พ อ, พอปัญญาธรมก็พอวิมุตติทำก็พอท่านถ้าเรื่องของธรรมมีความพอเรื่องของโลกนี้ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายก็มีมึงพอสมบัติทั้ง สามแดนเราก็ท่านให้เป็นของคนเดียวก็ยังไม่พออีกยังจะไปหาเอาโลกไหนอีกมารู้กยิเลียนมันเคยสร้างความพอให้คนไหมไม่เคยมีเพราะนั้นใครดิ้นกับยิเรียนมีแต่ดิ้นตายทั้งนั้นแหละคนเราต้าจะหาความเป็นอยู่การครองแีพให้เหมาะสมต้องมีทำจะมีความสุขมันพอสมควรแล้วมันก็มีทำเตือนอพอแล้วพอนั่นแหละไม่ได้ดิน้น สบายสบายถ้าปล่อยให้กิเลสฉุดลากแล้วโอ้จนตายไม่มีวันวันพอมีแต่ขนะที่หลับเท่านั้นเองคนถ้าไม่มีหลับแล้วเสร็จเลยแล้วมนุษย์หล่อนี่นะแต่มีเวลาพักหลับเวลานั้นเป็นเวลาปล่อยหมดปล่อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นหลับสนิทนะการเวลาสถานที่ไม่มี สกคนากายอะไรไม่มีอียบบทไม่มีญาติมิตรเพื่อนฝูงสมบัดเงินทองเข้าของมืดแจ้งสว่างอะไรไม่มีเวลานั้นไม่มีอะไรทั้งสิ้นมันมีได้เวลานั้นเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาก็เอาแล้วตะลุมบอนกันแล้วขี้เหร่นั่นแะมันตะลุมบอลสับลงลเราได้สับขี้เหร่เมื่อไหร่มันว่าอะไรก็ดีไปหมดว่าแล้วก็ดีไปหมดนี่ตื่นลมตื่นแล้งตื่นแดดตื่นฝนมา ไม่ได้คิดสะดุดใจว่ากิเลสเหยียบหัวใจ น, นี่แล้วใครเป็นคนฉลาดในโลกนี้มีนจะดิ้นตายอย่างนั้นเอาความฉลาดมาจากไหนเอาอะไรมาอวดโลกมาอวดว่าฉลาดกองทุกข์มันโตยิ่งกว่าภูเขาแต่และคนละคนแต่ละหลายหลยเราไม่ได้พูดประมาทนะเราพูดตามหลักความจริงนี่ ม, มีใคร ม, มีความสุขสบายกว่ากันในโลกนี้เอาว่มามาดิ เอาหลักความจริงจับกันว่ากันหิวอำนาคิดเลปัญหามันยิ่งลึกยิ่งล้ำเข้าไปยิ่งกว่าอะไรยิ่งแผดยิ่งเผาเข้าไปยิ่งให้ทำให้ดิ้นให้หล่นดิ้นดูดูสนุกดูสิขอให้มีทมเรื่องดูมนุษย์ดูสัตวนะ์เถอะนี่แหละพระพทเจ้าท่านโลกวิถูท่านเห็นหมด เหมือนคนตาดีดูคนตาบอดนั่นิเดินง่วงงามต้มเตี่ยมไปไหนชนนั้นโดนนี่คนตาดีดูรู้อยู่โอ้มันจะไปชนนั้นเนี่ยชนจริงโตมเนี่ยคนตาดีไม่โดนแต่คนตาบอดมันโดนเอาโดนเอ า, เอาล้มถูกตามตามหน้าผากแตกใจบอดมันก็อย่างนั้นะสิหาแต่ความสุขแต่ไม่เคยเจอความสุขโดนตั้งแต่ทุกโดนตแต่ทุกอยู่นั่นตลอดเวลาว่าไง ร, ริมเรีย ม, ย, มยังหันน้า ม, มากัด าศาสนาธรรมเป็นของเรื่องของประเสริฐด้วยอำนาจของกิเลสมันไหวหน้าใครเมื่อไหร่แล้วก็ามาให้คะแนนธรรมาศาสนาบ้างมาตัดคะแนนาศาสนาบ้างนั่อนอำนาจของมันพอพ อ, พอหวัวใจแลว้วมันกัดไปหมดนั่นแหละกัดด่ไปเลยเหมือนกับสุนัขบ้านี่มันปีอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกเรานี่แหละ เราไม่ได้พูดตำหนิติเตียนผู้หนึ่งผู้ใดลราพูดตามหลักความจริงมันซึ่งเป็นของมีอยู่แล้วดังเดิมฮะทีนี่พระใหม่เป็นยังไงฝึกซ้อมเรายังขอทิศสายอ่ะเอ้าว่าองค์งนั้นยังไม่ให้ยังไม่ให้ละองค์นั้ น, น, นอ่ะออาองค์นี้ว่ารู้ก่อน